ครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าภาวนามานานแล้วท่านก็เลยบอกให้มาบวชนะตามภาวนาทีแรกๆหกัดทีแรกก็อยากบวชนะแต่ว่าภ า, าวนาไปช่วงหนึ่งเราก็พบความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าคารวะก็ทำได้นะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของพระล้วนๆนะธรรมะเป็นของกลางนะพระทาได้คารวะก็ทำได้เหมือนกัน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 สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ช <aqui> <hit the benchmark> ั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวโลบโกรดลงของชั่วคราวสงบก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้มีแต่ของชั่วคราวนถ้าใจเห็นตรงนี้ใจยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยใจจะเข้าถึงธรรมะเพราะพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรที่พิลึ์พิลั่นอย่างที่เรานึกนะพระโสดาบันเห็นแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคือทุกอย่างของชั่วคราว นความจริงก็คือสิ่งทึ่งเป็นสังขารเนี่ยทั้งกายทั้งใจนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจยอมรับตรงนี้ก็เรียกว่าใจเข้าถึงธรรมะใจมีดวงตาเห็นธรรมแล้ถ้าเราตั้งเป้าหมายผิดเราปฏิบัติเพื่อจะเอาความสุขถาวรความสงบถาวรความดีถาวร เ, เราก็จะต้องล้มลุกลุกลานเพราะมันไม่มีจริงการทํากรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ย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 แต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษานะขนาดพระโสดาพระชกตาคาพระอนาคาท่านยังจัดว่าเป็นนักศึกษาเรียกว่าเสกขบุคคลเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธคือศึกษานั่นเองนะศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องการเจริญปัญญาเลียกไตรศิกขานะคําว่าการศึกษานะมันให้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคือการเรียนรู้ความจริง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 เราจะมีความรู้สึกว่าใจของเรานี่ปลอดโปร่งมีความสุขตลอดเวลาใจของเราจะไม่ถูกบีบคั้นพวกเราสังเกตไหมใจของเรานะมันมีอะไรบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหดัดดูจิตดูใจเราจะเห็นเลยมันถูกเค้นตลอดนะถูกเค้นถูกเค้นถูกเค้นไปด้วยทั้งวันทั้งคืนถูกความอยากบีบคั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าใจของเรายัางยึดถืออยู่ยังตกอยู่ใต้อนานาจของความปรุงแต่งอยู่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 ตานที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะสอนนิดเดียวนะไม่ได้สอนเยอะหรอกท่านนั่งหลับตาเงียบเงียบไปชั่วโมงลืมตาขึ้นมาบอกสั้นนิดเดียวการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองอ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านนะเราทําตัวเป็นนักอ่านหมายถึงว่าจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละ ท่านไม่ได้บอกให้เราเป็นนักประพันธ์นะให้ไปแต่งเอาเองนะใหแงงง้แต่งจิตอย่างงอนติดแต่งจิตอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เป็นนักวิจารณ์ดนะ้วยจิตเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปวิพาควิจารณ์มันท่านบอกให้เป็นนักอ่านหมายถึงว่าธรรมะอะไรปรากฏขึ้นในจิตให้รู้ให้ดูไปนะหัดรู้หัดดูไปตามที่เขาเป็นเรืนะ่อฝึกอยู่อย่างเนี้ยไม่นานดอกนะเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรธรรมาที่มันยากก็เพราะเราคิดมากคิดมากยากนานนะ คิดมากยากนานถ้าคอยรู้ไปเรื่อยๆใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศล ก, ก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆ เ, นะเสร็จแล้วเราก็มีเครื่องช่วยนะตกค้ำอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติในรูปแบบไม่ละเลยนะควรจะมีรูปแบบของการปฏิบัติเอาไว้เป็นเครื่องช่วยนะไม่งั้นจิตใจเราจะท้อแท้อ่อนแอลงไปได้ง่ายหลวงพ่อตั้งแต่เป็นคารวะนะจริงๆหลวงพ่อหัดภาวนามาตั้งแต่เจ็ดขวบ หสมาหายใจเนี่ยอยู่ยี่สิบสองปีต่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกไม่มีครูบาอาจารย์สมาไปเรียนจากท่านพอลีวัณโศการามนะเมื่อปีศูนย์สองตอนนั้นยังเด็กเจ็ดขวบเองพ่อแม่ไม่ค่อยพาไปหรอกแล้นาะนะได้ไปก็ได้เรียนนิดเดียวเลยได้เรียนมาแต่สมาะหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจไปแล้วจิตใจสงบ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 แต่จิตของคนทั่วไปไม่ตั้งมั่นหรอกแกว่งซ้ายแหวงขวาตลอดเพราะมันขาดสติมถูกกิเลสลากออาไปถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่จิตที่ใจของเราถ้ากิเลสลากไปไม่ได้จิตนตั้งมั่นนะ้ํานตั้งของมันเองแหละไม่ต้องรักษาดอกมันตั้งของมั น, มนได้เองนี่มีสติไว้ก็เกิดปัญญามีสติมันก็รู้กายรู้ใจได้ในที่สุดก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ปัญญาอยู่ตรงนี้นี่ฝึกไปเรื่อยๆนะมีความสุข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 ถ้าปฏิบัติผิดจะมีความทุกข์เยอะเลยหลายคนปฏิบัติจนเพี้ยนหรือปฏิบัติจนเดี้ยงแข้งขาเคล็ดคอเคล็ดหลังเคล็ดนะหัวแข็งทื่อๆอะไรเนี้ยอันนี้ทำผิดดอกถ้าทำถูกเราจะมีแต่ความสุขนะกายเบาจิตเบานะมีแต่ความสุขล้วนๆค่อยๆฝึกไปอใครมีอะไรจะคุยบ้างวันนี้ให้หลวงพ่อพูดอยู่คนเดียว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 เกิดความโกรธขึ้นมาแต่เรารู้อะค่ะคือจิตจบัตบไม่ไม่โกรธตามอะค่ะแล้วเวลาที่เราคิดไม่ดีนี้ก็จะจะเหมือนกับว่ามีให้เรารู้อะค่ะแล้วก็จะหายไปเลยอะค่ะที่นี้จะถามพระขอคําแนะนําจากพระอาจารย์น ะ, ะแล้วจะให้แนะนําอะไรก็เห็นดีแล้วนี่คืออย่างเวลาความโกรธมันเกิด น, นะทันทีที่เรามีสติรู้ว่าโกรธความโกรธจะต้องดับทันทีนะ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 เป็นมากถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นนีมันเลยไม่เกิดปัญญาจริงสติสมาธิปัญญาในการทําสมถะกับวิสปัสนาก็ไม่เหมือนกันสติของสมถะนี่เราสติเข้าไปกําหนดไว้เราชอบกําหนดนะเช่นเราจะรู้ลมหายใจเราก็กําหนดไปที่ลมตามลมให้แนบให้จิตมันแนบกับลมหรือจะดูท้องพองยุบนะั้นเราสติกําหนดไปที่ท้องกําหนดไปที่เท้าเราจะกลายเป็นการเพ่งตัวอารมณ์จะได้สมถะ สติของวิปัสนาเนี่ยมันจ ะ, ะระลึกรู้อารมณ์การกําหนดอารมณ์กับการะระลึกรู้นี่ไม่เหมือนกันสติในพระไตรปิฎกท่านใช้ว่าความะระลึกได้แต่ความะระลึกได้หมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ะระลึกได้ว่าสภาวะนั้นเกิดขึ้นแะเพราะฉะนั้นจะไม่จงใจสติของสมถะเนี่ยเริ่มต้นด้วยความจงใจไปกําหนดไว้สติของวิปัสนาเนี่ยมันจะเกิดเอง จะเกิดขึ้นเองจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเองเช่นใจกําลังลอยลอเผลอๆอยู่มันเรารึกขึ้นได้ว่าเผลอเนี่ยปั๊บเนี่ยความเผลอขาดสะบั้นเลยนะหรือโกรธอยู่นะเราลึกได้ว่าโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นเลยนี่เป็นสติ ต, ตัวจริงนะสมาธิก็ต่างกันสมาธิในการทําสมาธินี่เราจะเอาจิตเข้าไปแนบไว้ที่ตัวอารมณ์มันเป็นการเพ่งตัวอารมณ์จิตจะแนบเข้าไปที่ตัวอารมณ์ <varit> เช่นเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตจะไปเกาะอยู่ที่ลมแนบอยู่ที่ลมไม่หนีไปที่อื่น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 ปัญญาของสมถะเป็นแค่ความฉลาดที่จะข่มนิวรณ์ส่วนปัญญาของวิปัสนาเนี่ยเห็นกายเห็นใจเป็นใจรักนั้นใจยังไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องไปดูก่อนนะใจยังไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจมันกระจายออกมากข้างนอกค่ะ แ, แต่ยังกระจายอยู่ยังคิดไม่เลิอกอ่ะรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดเราก็คิดตามไปเรื่อยๆดู อ, อกหรือเปล่าค่ะแล้ว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 คนนี้ถามบอกว่าเวลากิเลสเกิดนะเวลารู้แล้วมันไม่หายทันทีนะสังเกตไหมที่มาถามหลวงพ่อเนี่ยต้องการให้มันหายใช่ไหมไม่ใช่ต้องการให้มันหายครับแต่ว่ารู้ไปเฉยๆว่าเออถ้าราคะเนี่ยมันเกิดแป๊บเดียวนะแต่เราก็ยังเกิดช่วงสั้นกว่าเขมรมันแล้วแต่คนนะ อ, อถ้าพวกไหนราคะกล้าก็แพ้ราคะราคะเกิดแล้วครอบงําได้ ถ้าพวกไหนโทสะกล้าโทสะเกิดมาครอบงําได้ราคาไม่ค่อยจะครอบงำนะเป็นคนควรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนี้อย่างนี้นแต่ว่านะสติควาจริงยังไม่เกิดใช่ไหมครับที่นะว่าเพราะยังไม่หายจริหรือไม่เพราะเพราะว่าในใจลึกๆเนี่ยบางทีคอยไปลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะดับนะถ้ามีลุ้นนิดเดียวนะยังไม่ใช่ของจริงอะ่ะยังรู้อย่างไม่เป็นกลางนะถ้ารู้แล้วเป็นกลางแท้จริงนะนะเช่นกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสกําลังปรากฏเนี่ย ใจมันจะไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะดับเราจะไม่รู้สึกเลยว่าทําไมกิเลสเกิด น, นานเกินไปนะคำว่าเกินไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่ชอบทําไมความสุขสั้นเกินไปเนี่ยเพราะเราชอบเพราะฉะนั้นใจใจที่ยังไม่กลางนะสติยังไม่ตัวแท้หรอกถ้าสติตัวแท้เกิด น, นะใจจะเป็นกลางนะให้เรารู้ทันถ้าใจไม่เป็นกลางนะได้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง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 อยางตั้งใจฟังหลวงพ่อตอนเนี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกว่าบางทีก็ฟังบ้างบางทีก็รู้รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจงใจทําเยอะไปยังแข็งไปนะให้ให้เป็นธรรมดากว่านี้นะตั้งใจเยอะไปลดความตั้งใจลงแต่ไม่ใช่ให้ขี้เกียจ น, นะอะตั้งใจมากใจมันจะแข็งแข็งอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแข็งเกินจริงนึกออกไหมจะมีส่วนที่เกินจริงอยู่ะนะคือแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอ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 เราต้องการให้เห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่นิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ทาให้มันเที่ยงนะแต่ว่าวันไหนฟุ้งซ่านนั้นแหละทาสมถะสมถะก็ต้องทานะแต่ระวังนิดหนึ่งคนส่วนใหญ่ติดสมถะที่ว่าถ้าเกิดว่าความกลัวจะไม่ไม่รู้ว่าให้มีสติกลัวอย่าง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 กลั บ, ลบนมัสกรร า, ารพระอาจารย์และคณะของพระอาจารย์ทั้งหมดนะครับก็กผมค่อนข้างจะหางครูบาอาจารย์นะครับก็ขอถามพระอาจารย์ว่าที่กับผมปฏิบัติอยู่ยวนี้ไม่ทราบว่าก้าวหน้าไปถึง<ด>ขนาดไหนแล้วว่ากหน้าขึ้นแล้วทําถูกล้ใจมันค่อยๆโปร่งขึ้นโป่งขึ้นรู้สึกไหมคุณดอน ร, รู้สึกไหมสติเกิดเองสติเริ่มเกิดได้เองแล้วครับ งั้เช่นกิเลสแรงๆไหลออกมาแว้บมันรู้เองไม่ต้องเจตนาจะรู้นะดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ระวังอย่าให้ติดเฉยก็แล้วกันมีความเฉยเกินจริงมานิดหนึ่งแบบนวัตกรรมเช่นนี้ครับผมแาบนวัตกรรมนะคะเรียนถาม น, นะคะว่าเวลาดูจิต ด, ดูกายนะคะดูกายบางทีจะรู้สึก มือนกัร่างกายมึนๆอยู่ในในเนื้อสะในในกายเนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหมจ๊ะคะหลวงพ่อไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าปฏิบัติถูกไหมคือว่าเวลาดูดูจิตดูจิต ด, ดูกายนะคะพอดูกายรู้สึกจะเห็นว่าบางทีก็มึนทกีก็กายเนี่ยไหวๆอยู่ข้างในอะคะอ่ะค่ะก็เลยไม่ทราบว่าปฏิบัตินี้ถูกต้องไัมจ๊มคะคะ่ะการดูกายเนี่ยนะคําว่ากายญานุปัสสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าดูร่างกายเนะ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 อย่างเราเห็นว่าตรงนั้นไหว ย, ย, ยิบยับยิบยับเนี่ยสังเกตไหมสิ่งนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูอยู่ท่างหากเ น, นี่ยต้องมีแยกกายแยกใจออกจากกันนะเวลาที่รู้กายเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้กายเรียกรูปกับ น, นามมันแยกกันแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกั น, นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายขยับกระเยื้อนใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูใจมันจะเบาๆไม่มีน้ําหนักนะถ้าใจมีน้ําหนักขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่แค่ผู้รู้ผู้ดูแล้ว จะเป็นผู้มีการจงใจมีการแทรกแซงขึ้นมาดันั้นใจก่อนที่เราจะไปรู้กายได้จริงเนี่ยใจจะต้องตั้งมั่นดันะนั้นคนที่จะฝึกรู้กายได้ดีจะทิ้งสมาธิไม่ได้สมาธิมันทาให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะเช่นเราหัดพุดโทโธหรือหัดรู้ลมหายใจโยมใช้กรรมฐานอะไรล่ะ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 เช่นขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงอะไรพวกนี้และเป็นอาการของปีติเนี่ยใจโยมไหลแวบไปแล้วทราบไหมหนีแวบไปเลยนะมัหนีไปคิดเ น, นี่ยให้เราคอยรู้ทันนะการที่เราจะดูกายได้ดีเนี่ยใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลกวาไป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 นี้เราชอบดัดแปลงเพราะว่าเราคิดว่าการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกปฏิบัติแปลว่าทำํำจะต้องทําอะไรที่ไม่ธรรมดาเพื่อวันหนึ่งจะได้ธรรมะที่ไม่ธรรมดาความจริงธรรมะนะธรรมดาที่สุดเลยนะเจ้าค่ะจากของคุณจักราอ้าวยมส่งไมโครโฟนเผลอละรู้สึกไหมเอออย่างเงี้ยเราอย่าแยกนะอย่าแยกเวลาการปฏิบัติเดี๋ยวขอหลวงพ่อพูดกัอนนะอื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 หลวงพ่อยกตัวอย่างอยู่ที่เมืองเมืองชนนะมีเด็กมาถามว่าเดินจงกรมเดินยังไงหลวงพ่อบอกว่าให้ออกมาเดินโชว์หน้าชั้นอย่างนี้คนเยอะๆนะคนเยอะๆเด็กก็เดินออกมาเขาแหวกคนออกมาเรื่อยๆหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้แล้วขณะดนี้เดินแล้วนะทําไมไม่รู้สึกตัวต้อนงะคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องเดินมาถึงหัวทางจงกรมก่อนถึงจะเริ่มนับเวลาปฏิบัติ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 การปฏิบัติจริงๆเป็นอันเดียวนะมีสติเมื่อไหรมีการปฏิบัติเมื่อนั้นเผลอเมื่อไร่ก็ขาดการปฏิบัติเมื่อนั้นอย่างขณะ น, นี้ยมลืมกายลืมใจตัวเองแล้วทราบไหมมันลืมตัวเองไปแล้วงวดแต่ไปคิดเอานะงวแต่ไปคิดเอารู้เรื่องที่คิดเมื่อไหร่ก็ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นแล้วก็ไปเพ่งเอานะก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วแต่เป็นการเพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจกับเพ่งกายเพ่งใจไม่เหมือนกัน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 ทำไมมันแน่นๆขึ้นมาก็เพราะเราจงใจไปกําหนดตัวจงใจกําหนดคือการกระทำำํากรรมทําไมจงใจกําหนดเพราะอยากปฏิบัตินี่ตัวกิเลสกิเลสกรรมวิบากก็เกิดขึ้นนี่มีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งก็คือกิเลสเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดกรรมก็จรงิงแต่กิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมหมายถึงว่าเกิดร่วมกันกิเลสทําให้เกิดกรรมก็จริงนะแต่ทันทีที่มีกิเลสก็มีกรรมเลยจับใดที่ยังมีการกระทำำํากรรม อยู่ด้วยอำนาจวงการของกิเลสกิเลสก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเราอยากปฏิบัติเราจงใจกาหนดเนี่ยตลอดสายของการกำหนดเนี่ยความอยากยังครอบงำจิตอยู่สติตัวจริงจะเกิดไม่ได้เพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสนะเนี่ยเรากลับนิดนึงแทนที่อยู่ๆเราก็จะเริ่มทำท่านั้นท่านี้อันนั้นเป็นแค่รูปแบบนะเราลองเรียนบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ครบนะือไตรสิกขา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 แยกไม่ออกว่าจิตอันไหนควรแก่การทําสมถะจิตชนิดไหนควรทําวิปัสนาเราเลยเอาจิตที่เป็นอกุศลไปใช้นะจิตที่อยากปฏิบัติเอาไปลงมือจ้องพอเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะพราะสติไม่ได้แปลวะ่ากาหนดสติในพระไตรปิฎกคือความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือมันไม่เลื่อนลอยไปสังเกตไหมใจของเราเลื่อนลอย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 ชอบคิดวันวันหนึ่งหากินกับการคิดเดี๋ยวหลวงพ่อขอดมยาดมก่นอนเหนื่อยอย่างเราชอบคิดพวกนี้ให้ดูจิตทําไมหลวงพ่อเน้นเรื่องการดูจิตเพราะหลวงพ่อมาสอนคนในเมืองพวกเราหากินกับการคิดตลอดวันชอบคิดพวกคิดมากเขาเรียกพวกทิฏฐิจริตพวกนี้เหมากับการดูจิตไม่ใช่ว่าดูจิตดีที่สุดนะ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 เช่นรู้กายคือสมมุติว่ารู้ลมหายใจเข้าออกเนเราเห็นเลยถ้าใจเราเคลื่อนไปจากการรู้ลมหายใจเรารู้ทันกายไปเพ่งจิตใจไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันนี่หัดไปอย่างนี้เรื่อยๆพอใจขยับแวบก็เห็นแวบก็เห็นนะเนี่ยเราเอากายเป็นฐานเราก็รู้ลมหายใจของเราไปเรื่อยๆทุกวันต้องซ้อมรู้ลมหายใจอย่างน้อย10นาที15นาทีรู้ลมหายใจล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราไปหรือคนไหนฝึก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 ฟังหลวงพ่อนะต้องฟังสองสาครั้งถึงจะรู้เรื่องนะงั้นพยายามหาซีดีไปฟังไม่ทราบเขาแจกหรือเปล่าวันนี้อเอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกลองพ่อโฆษณาซีดีหน่อยซีดี <c oughs> หลวงพ่อนะเสียงไม่กลางวานแจ่มใสระบบการอัดใช้ไม่ได้นะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแล้วถึงได้ยินก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะอย่าตกใจนะ ฟังเรื่อยๆไปมีคนที่ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นสภาวะธรรมขึ้นมาจํานวนไม่ใช่คนสองคนนะมีไม่รู้กี่ร้อยคนลนะนับไม่ถูกเงน้นฟังแต่ละครั้งสติปัญญาของเราจะไม่เหมือนเดิมเราฟังครั้งหนึ่งเราก็เข้าใจอย่างหนึ่งนานๆปฏิบัติไปนะถ้ามาฟังอีกทีหนึ่งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกเน้นฟังได้เรื่อยๆนะอะเชิญยม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 เราสังเกตง่ายๆเลยถ้าหากเป็นการรู้ที่ถูกต้องเนี่ยใจเราจะโปร่งโล่ ง, ลงเบาเลยนะจะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเลยนะใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่อ ง, วองไวนะถ้ารู้ขึ้นมาแล้วหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆแล้วก็ไม่ใช่รู้จริงหรอกนะฉะนั้นเราคอยรู้สึกเอาคอยรู้ทันสังเกตใจเรานะว่าพอรู้ตัวแล้วจิตเป็นกุศลหรืออกุศล น, นะนะถ้ารู้ตัวได้ถูกต้องจิตจะเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบา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 การนวัสัจจะท่านพราจารแล้วก็หลวงพออ่อหนูก็ปฏิบัติมาเยอะค่ะแต่ว่ามันจะเผลอค่ะเผลอแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะดีเก่งนะรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แล้วคือเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เผลอต้องตั้งหลักให้ดีนะเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเพื่อรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้มีสติ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เผลอนะแต่โดยปกติเนี่ยใจของเราเผลอตลอดชีวิตเลยเผลอมาตั้งแต่เกิดนะตอนนี้รู้จักแล้วใช่ไหมพอดูออกแล้วใช่ไหมเวลามันเผลอไปเนี่ยออพอดูได้แล้วจิตหูุออกมาอย่างนีนะ้จะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเผลอมาตั้งแต่เกิดเลยนะในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยเราจะเผลอตลอด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 เป็นจิตที่หลงทางใจดังนั้นถ้าหากเรารู้ทันพอใจไหลไปคิดแวบรู้ทันเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยแล้วแว บ, บเดียวนะก็จะไหลไปคิดอีกลวแล้วก็รู้อีกนะไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้คิดน ะ, ะถ้าฝึกให้ไม่คิดแล้วก็เสียคุณภาพของขิดใจหมดเลยกลายเป็นก้อนหินไปแล้วคิดไม่เป็นแล้วหนูควรจะทำยังไงต่อคะควรรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้ตามความเป็นจริงนะหนูอย่าไปทาอะไรขึ้นมานะ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 มีทราบั่าพระคุณเจ้าจะแนะนํายังไงเจ้าคะแล้วตอนที่ปฏิบัตินะ่ะผิดศีลหรือเปล่าเปล่าเจ้าคะ่ะอ๋อตอนนั้นมีศีลสิคือเราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นปัจจุบันนะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะว่าเวลาที่เราพลาดพลัง้งทําบาปอกุศลแล้วอย่าคิดซ้ําแต่อย่าทําอีกนะไม่ใช่ไม่คิดซ้ําแล้วทําอีกนะอย่าคิดซ้ําทันทีที่เราคิดซ้ําเนี่ย วิถีจิตมันจะขึ้นอกุศลอีกรอบหนึ่งแล้วสมมติว่าเราไปบี้มดตายหนึ่งตัววันนี้คิดร้อยครั้งนะคือบี้ร้อยตัวนะเพราะฉั้นอย่าไปคิดซ้ํำเราอยู่กับปัจจุบันไปปัจจุบันนี้ยังไม่ผิดศีลเคยมีครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าอย่างชาวประมงมีคนมาเป็นชาวประมงมาถามบอกว่าผมเป็นชาวประมงต้องผิดศีลทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยผมไม่สามารถปฏิบัติทำได้นั่นะนั่นเป็นคนไม่ฉลาดนะ แต่คิดว่าชีวิตมีอันเดียวรวดความจริงชีวิตของเราคือหนึ่งขนาจิตไปปัจจุบันท่างหากในขณะที่กําลังออกเรือไปเราเป็นลูกเรือเพราะที่เราไม่ได้คิดเรื่องจับปลาเราก็คิดพุทโธไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปสิขณะนี้ยังไม่ได้ทําผิดศีลนี่ก็เอากุศลไว้สินะคนละเวลากันนะต้องแยกให้ออกแต่ไม่ใช่บอกเคล็ดลับอันนี้แล้วไปทําชั่วได้นะเดีย๋ยวบอกทําชั่วแล้วไม่คิดซ้ําไม่บาปไม่ใช่นะบาปนะจะขาด สอนโยมต้องระมัดระวังนะโยมเจ้าเล่ยเยอะะรอพเพราะฉะนั้นอย่างทําไมท่านพระองค์คุลีมานประสิทหยัดสําเร็จฆ่าคนได้เก้าอยเก้าสิบเก้างที่ทําผิดศีลนั้ได้ฆ่าคนบา้างยังยังเลยนะยังน้อยกว่าพระองคุลีมานอีกนะทำไมพระองค์คุลีมานเข้าถึงธรรมะได้เพราะขนาจิตที่มีสติ น, นั้นจิตมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาละ ไม่ใช่ขาดศีลนะการที่เราทํากอกุศลไว้แล้วแล้วเราคอยคิดเนืองเนืองเนี่ยเป็นกิเลสตัวใหม่ที่ชื่อว่ากุ ก, กุจจากุ ก, กุจจาเป็นกิเลสที่คอยหลอกหลอนนักปฏิบัตินะกุ ก, กุจจาเนี่ยเป็นความเร่าร้อนใจว่าเราได้ไปทําชั่วมาแล้วกุ ก, กุจจาเป็นความเร่าร้อนใจที่ว่าความดีนะั้นเรายัางทําไม่เสร็จนะตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เนิ่นช้านะให้คอยรู้ทันไว้ยังรู้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ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 จิตนี้เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นความจริงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสายไหนสายไหนอันนี้เป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะอย่าทะเลาะ ก, กันนะขออนุญาตอลวงท่าครับคือปกติที่เวลาฝึกเนี่ยถ้าพูดึดู่าเวลาเราเผลอหรือว่าเวลาเราคิดเนี่ยก็ค่อนข้างจะระลึกรู้ได้ชัดเจน แต่เวลาที่เรามาระลึกรู้จิตหรือกู้รู้กายเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวผมเนี่ยอ่าไปเพ่งหรือไปภาค ก, กับเท่กับตัวเองหรือเปล่าอย่า ง, งเพ่งอยู่อย่างขนาดจิตนี้ก็ยังเพ่งอยู่ด้วยออกไหมขนาดจิตเนี้ยนะพเราก็ยังติดเพ่งอยู่ ค, คุณต้องลดความจงใจปฏิบัติลงนิดนึงนะแต่ไม่ขี้เกียจนะทําไปเรื่อยจะดูท้องพองยุบจะอะไรเคยทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่ว่าคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อย อย่าสนใจว่าจะรู้ถึงเมื่อไหร่สติเขาจะเกิดเองเมื่อจิตจำสภาวะได้ก็คือแปลว่าถ้าเวลาที่เราต้องการรู้กายรู้ใจเนี่ยเราก็ปล่อยไปให้เขารู้ของเขาเองไม่การเบื้องต้นไม่ใช่ปล่อยนะเบื้องต้นเลยคนยังไม่เคยหัดเนี่ยต้องจงใจรู้อันใดนหนึ่งก่อน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 ในพระพิธรรมสอนบอกว่าเหตุใกล้ของสติสตเหตุที่ทําให้สติเกิดได้ง่ายเนี่ยชื่อว่าธิระสัญญาท้ถอถุงสระ อ, อิรอเรือธิระที่แปลว่าเสถียรนะธิระสัญญาการจําสภาวะได้แม่นเพราะหน้าที่ของเราก็คือต้องหัดรู้สภาวะจนกระทั่งจิตจําสภาวะได้แม่นถ้าไม่รู้สภาวะอะไรมากมายนะรู้อันเดียวก็พอรู้ว่าจิตนี้ไปคิดเมื่อจิตนี้ไปคิดเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลาย อย่างจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลอกุศลเกิดบ่อยนะกุศลเกิดน้อยนี่โดยธรรมดาเลยนะอกุศลมีโลภโกรดหลงหลงเกิดบ่อยโลภกับโกรดมีน้อยกว่าหลงหนะลงมียังไงบ้างหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจคี่หลงไปคิดนี่เกิดทั้งวันเลยหนะลงทางตาแวบเดียวก็ไปคิดต่อหลงทางหูแวบเดียวก็ไปคิดต่ออยู่เฉยๆก็แอบไปคิดอีกลวเพราะฉนะั้นถ้าเราฝึกสภาวะไม่ได้มากนะหัดสภาวะอันเดียวก็ได้ เรานั่งพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปเดี๋ยวใจก็เผลอแวะไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้เรารู้ทันแล้วก็กลับมาพุโทโธต่อแต่อย่าบังคับใจไม่ให้หนีไปนะไม่ได้ฝึกบังคับนะตรงเนี้ที่พวกเราคลาดเคลื่อนอย่างเราดูท้องพังยุบ ก, ก็บังคับไม่ให้เคลื่อนไปจากท้องดูลมหายใจไม่ให้เคลื่อนไปจากลมขยับมือไม่ให้เคลื่อนจากมืออันนั้นเป็นเรื่องของสมถะแต่ถ้าเราจะหาดรู้สภาวะเนี่ยเราไม่บังคับเ ร, เรารู้ลมหายใจไปใจเคลื่อนไปจากลมหายใจไปคิดเรื่องอื่นรู้ทัน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 ท่านก็บอกประโมดจิตมันไม่ได้อยู่ที่นั่นซะหน่อยถลําลงไปดูมันเนี่ยว่าลงไปดูมันทําไมมันไม่ใช่จิตท่านบอกงี้เออเราก็มานึกเนี่ยจิตมันเป็นคนดูเนี่ยงั้นเราต้องมาเพ่งใส่ตัวผู้ดูแทนได้ได้รู้สึกว่าได้วิชาเด็ดแล้วนะเข้าประตูเลยปิดกุฏิเลยนะนั่งดูตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างไปดูตัวผู้ดูพอจงใจดูตัวผู้ดูแล้วตัวผู้ดูกลายเป็นสิ่งที่ถูกดูไปและ แกเป็นตัวถูกรู้นะแล้วมีตัวผู้ดูลึกเข้าไปอีกเราก็ดูตามตัวผู้ดูไปลึกๆๆนะปวดหัวเลยนะเพรียสดสุดๆเลยนี่เราดูผิดอ่ะหลวงพ่ออ่นะ ด, ดูไปดูไปพอใกล้เช้าโมโหเต็มทีแล้วนะแม้มาสอนเราจะเราปฏิบัติกรรมฐานจะแตกแล้วหัวก็จะแตกโมโหนะหลวงพ่อคืนนี่สอนอะไรไม่รู้เรื่องพระสว่างนะผลักประตูออกมาจะไปเอาเรื่องท่านนะอฮะ ท่านก็ฉลาดกว่าเราอีกท่านฝากประตูคล้อมออกมาก่อนเราอีกนะกุฏิก็อยู่ใกล้กันเพราะรักหลวงพ่อนะเปิดประตูพวดชี้หน้าเลยพระมดภาวนาไม่ได้เรื่องเลยเล่นเราก่อนนะเราก็บอกก็หลวงพ่อแหละมาสอนให้ผมดูตัวผู้ดูท่านบอกไม่ได้สอนซะหน่อยท่านบอกว่าอย่าถลําลงไปดูอย่าถลําตามอารมณ์ไปบอกแม่แล้วทําไมไม่บอกอย่างนั้นน่ะมาบอกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่จิตเ่ยเราก็เลยนึกว่าให้ดูจิตคือดูผู้ดู ดูผิดนะเสียเวลานานเลยถ้าดูตัวนี้แต่เราแยกแยกดูโดยไม่ถลำอะไรนได้ไหมครับอะไรนะคือหมายถึงว่าเราเราดูแต่ว่าเราไม่ไม่ถลำเข้าไปอย่างี้ครับดูอยู่อ่างๆได้แต่อย่าจงใจไปดูนะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งก็คือสติจะระลึกรู้อะไรก็ให้เขาระลึกรู้อันนั้นอย่าจงใจเอาสติไประลึกอะไรเข้าถ้าเจือด้วยความจงใจเมื่อไหร่กิเลสจะแทรกเลยสติจะไม่เกิดแล้ว อย่างตอเ น, นี้ใจมันแอบไปคิดทราบไหมพอฟังหลวงพ่อพูดก็เอาไปตึกตรองเ น, นี่ยใจมันไหลแว๊บไปไปตึกตรองของมันเองเราไม่ได้เจตนาจะตรึกตรองแล้วเราก็เกิดรู้ทันมันขึ้นมาเนี่ยรู้ไปอย่างเนี้ยง่ายๆเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเราหัดอย่างเนี้ยใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ง่ายอย่างนี้เลยครับง่ายแค่นี้แหละขอบตาหลวงพ่อคุณมากหลวงพ่อจะบอกให้นะการปฏิบัติจริงๆง่ายสุดๆเลยนะ ง่ายสุดๆเลยครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยเราไปนั่งอยู่กับท่านเนี่ยบางทีท่านก็ปลารบๆธรร ม, มะนะเออมันง่ายนะการปฏิบัตินง่ายนะย่ตั้งแต่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปูงปดงป่ดูลหลวงปู่เทศนะเขาพูดว่าง่ายนะมาเจอครูบาอาจารย์รุ่นหลังลงมาเนี่ยหลวงปู่สุวัสดิ์เลยเนี่ยท่านก็บอกว่าง่ายนะพูดอย่างนี่หลายองค์นะหลวงปู่สุวัสด์ก็บอกมันง่ายง่ายนะแล้วก็เงียบๆไปแล้วก็มันยากเหมือนกันแหละทําไมมันยากอ่ะ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 อ่เชิญกลับบ้านเนาะนี่ประโยคเด็ดเนี่ย